หน้าโดยดังตรินอ่าสาวเน็ตคลั่งบุกจี้คนรัก และพยายามลักพาตัวขอต้อนรับ 2 ครับนับ 2000 เป็นต้นมาทุกคนบนโลก แม้เขาจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศหรือคนละๆมีความผูกพันกัน ความจริงก็ไม่ใช่เด็ก 33 ซึ่งถือว่า 52 น่ะฉะนั้นถ้าคุณอินเทอร์เน็ตเริ่ม 15-20 ปี ยุค 40 ได้น้อยแบบนับหัวได้น้อยแบบ 30 35 ที่เล่นเน็ตแล้วดูไม่น่าแปลกใจยังสมวัยอยู่เน็ต 30 35 ที่บัตรนี้แก่ตัวลงเป็นคนวัย 50 แล้วใน ถึงวันนี้อินเทอร์เน็ตจึงไม่ใช่เรื่องของคน ปกติยังคงใช้ตัวอักษรอยู่แต่นับวันสดโดยเฉพาะในเขตที่มีชื่อว่า Second Life ซึ่งคุณจะมีชื่อเสียงและหน้าตาใหม่ถอดด้ามกับทั้งมีทรัพย์สมบัติอาคารบ้านเรือนตลอดจนค้าขายสินค้ากันได้จริงใช้เงินจริงเสียงเพียง คุณจะค่อยๆรู้สึกเหมือนมีอีกตัวตนใหม่ขึ้นมาในโลกจำลองนี้นะครับเมื่อเขาออกแบบมาไม่ให้คุณไม่แก่คุณก็เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปแปลว่าใช้ชีวิตในเซกะไลฟ์มากขึ้นใดคุณก็ยิ่งรู้สึกสดใหม่และอ่อนมากขึ้น เทคโนโลยีของวันพรุ่งนี้เป็นไปได้แน่ วัยหนุ่มวัยสาวเป็นวัยไว้ทํางานหาเงินไปสร้างชีวิตจริงบนเน็ตกันแม้คุณเป็นหญิงอายุ 82 แต่ ก็ 27 ได้ถือไม่มีใครมองว่าประหลาดอีกต่อไปเรื่องที่มีอยู่เกลอๆที่จะ ไม่ใช่ช่องทางง่ายๆที่จะได้พบคู่แท้ถ้า นากลุ่มโดยดั่งตรินตอนที่ 40 อ่าคนกําลังจะล้นโลกแต่ อีกหน่อยไม่ใช่คนโลภอย่าง หรือกระทั่งอยากมีๆจนชั่วนิรันดร์ 3 ชนิดและนั่นก็น่าจะกลายเป็นเทคโนโลยียืดอายุมนุษย์ได้ถึงหนู 125 ปีเป็นลําดับต่อ จะแข็งแรงเหมือนต้นไวยหรือ นั้นประกันได้ว่าถ้าโครงการวิจัยนี้จะเรื่องชื่อว่าประสบความสําเร็จจริงก็ <c oughs> ก็แปลว่าแปลหรือกระทั่งจะมีหน้าตาอย่างไรเผ่าตายตัวก็สบายเลยยังไม่มีใครทดลองแต่คุณคิดดูก็แล้วกันว่ากําหนดและหยุดอายุไว้ตรงนั้นร่างกายยังคงเหมือนหนุ่มสาวอายุเปเป 20 เป็นนับร้อยปีนับ ยังนึกตะแหน่ยาดีๆคุณกับ 90 แน่จะยังคงรักกันหวานแหวหรือว่าจะยัง 99 จาก 100 คู่ต้องอยาก มันคงกลายเป็นข้อตกลงทางสังคมแบบใหม่เมื่ออยู่ไปกลายเป็น 50 ปีปลายได้ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนคู่แบบ ยาอายุวัฒนะไม่ใช่เช่นคงไม่มีใครรู้สึกว่าไม่มีใครรู้ ความรู้สึกเป็นอย่างไรไม่มีใครดาวถูกแต่คุณคาดหมายได้เลยว่าสึกเป็นอย่างไรไม่มีใครเดา จะเกิดผลอะไรตามมาขอเพียงสนองๆแค่ว่าทําตรงนี้ให้สําเร็จจะจะ 53 เสียงอ่านโดย 周初